แม้จะเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวทว่าก็เกื้อกูลให้เกิดความโน้มน้อมไปในความมักน้อยทางกามไม่หนักแน่นพอจะเบียดเบียนหรือจองเวรใครเพราะฉะนั้นที่จะก่อกรรมทำบาปละเมอสินห้าเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดประเวณีโกหกและเสพสุรายาเมาก็เป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งนั่นก็แปลว่าโอกาสจะเดือดเนื้อร้อนใจ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 รวมทั้งจิตศาสตร์มาประสานกันเราจะไม่ได้คำตอบอะไรมากไปกว่าขีดจำกัดและความไม่แน่นอนของวิธีพิสูจน์นักวิทยาศาสตร์ได้แต่สร้างทฤษฎีเพื่ออธิบายว่าจักรวาลเกิดขึ้นจากปรากฏการ์บิ๊กแบงอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าเสี้ยววินาทีเท่านั้นเท่านี้จักรวาลมีขนาดเท่าใดอยู่ในสภาพพิลึกพิลั่นเหนือจินตนาการปานใด